ฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อบำบัดความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดสิ้นไปตามลำดับเพราะธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ <c oughs> ที่จะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้อย่างถาวร ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ mm hmm. เพราะธรรมะคื อ, อยารักษาโรคใจโรคใจก็คือโรคของความทุกข์ใจนี่เอง mm hmm. ความทุกข์ที่เกิดในรูปแบบต่างๆเช่นความเครียด ความเศร้าซ้อยหงอยเหงาความหงุดหยิดลำคาญใจความเศร้าโศกเสียใจความวิตกกังวลห่วงใยความหวาดกลัวความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆนี่แหละคือโรคของใจและไม่มียารักษาโรค ทางร่างกายชนิดใดที่จะสามารถที่จะมารักษาโรคของใจให้หายขาดได้อย่างสิ้นเชิองอาจจะใช้ระ ง, งับได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะไม่สามารถที่จะระ ง, งับดับให้ได้อย่างถาวรเหมือนกับ ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะเราจึงเรียกว่าเป็นยารักษาโรคใจเป็นธรรมะโอสถเป็นที่พึ่งของใจถ้าใจมีความทุกข์แล้วใจไปหาธรรมะธรรมะก็จะช่วยทำให้ความทุกข์ของใจนี้หมดสิ้นไปได้ ธรรมะโอสุดนี้ก็เป็นเหมือนยาต่างๆที่ใช้รักษาร่างกายการที่ยารักษาร่างกายจะสามารถ <c oughs> รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หายได้ยาก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปในร่างกาย ถ้ายายังอยู่ภายนอกของร่างกายอยู่ต่อให้เป็นยาวิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าไม่รับประทานยาเข้าไปในร่างกายยาก็ยังจะไม่สามารถทำให้โรคภัยไข้เจ็บของทางร่างกายหายไปได้ฉันใดธรรมโอษฐ์ที่เป็นยารักษาโรคใจนี้ ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรายังไม่ได้เอาธรรมะโอสอยารักษาโรคใจคือคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเอาเข้ามาภายในใจของเราธรรมะโอสถก็จะยังไม่สามารถทำหน้าที่กำจัดความทุกข์ทางใจให้ หมดไปได้ให้หายไปได้เราก็ต้องกินยาธรรมโอสถกันแต่การกินยาธรรมโอสถนี้ไม่ได้กินเหมือนกับกินยาของร่างกายยาของร่างกายเราก็เอาเข้าปากดื่มน้ำเข้าไปมันก็เข้าไปในร่างกายของเราได้แล้วแต่ธรรมโอสถยาที่เราจะใช้รักษาโรคของใจนี้ เราต้องเอาเข้าไปในใจวิธีที่จะเอาธรรมะโอสถเข้าในใจนี้ก็คือการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองการศึกษานี้ก็เป็นเหมือนกับการมารับยาจากพระพุทธเจ้า พระพุเจ้าบอกว่าให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นยาที่พุะเจ้าสรงมอบให้ผู้ที่ต้องการรักษาโรคของใจให้หมดสิ้นไปยังเป็นต้องรับประทานยาสามชนิดนี้ คือไม่กระทํำบาปทั้งปวงทําแต่บุญทํากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชาระจิตใจให้สะอาบริสุทธิ์นี่คื อ, อยาที่เราได้รับมาจากพระพุทธเจ้าขั้นต่อไปเมื่อเราได้รับยามาจากพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องกินยาวิธีกินยาของพระพุทธเจ้าก็คือปฏิบัติตาม คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าสอนให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงเราก็ละการกระทำบาปดยการรักษาศีลดยการละเว้นการเสพ บ, บายามุกต่างๆละเว้นการทำอาชีพที่ไม่สมควรที่จะกระทำมิจฉาชีพต่างๆ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอาอยาเข้าไปสู่ใจเราต้องปฏิบัติตามคําสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีที่เราจะสามารถเอาธรรมโอสถยารักษาโรคของใจนี้เข้าสู่ในใจได้พอเราสามารถปฏิบัติตามได้ทั้งสามข้อธรรมโอสถก็จะเข้าไปในใจของเรา เมื่อเข้าไปในใจของเราแล้วเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมามธรรมโอสถก็จะได้มาระงรับดับความทุกข์ใจได้ทันทีความทุกข์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาในใจนี้มันก็จะค่อยๆหมดไปทุกครั้งที่มันปรากฏขึ้นมาถ้าเรามียารักษาโรคใจพร้อมอยู่ในใจแล้ว ยารักษาโรคใจนี้ก็จะสามารถดับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นได้ทันทีถ้ายังไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ก็แสดงว่ายาธรรมโอสถนี้ยังไม่เข้าถึงใจอาจจะได้รับมาแล้วได้ยินได้ฟังธรรมแล้วแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติหรือได้ปฏิบัติแต่ยังปฏิบัติไม่มากพอ เหมือนกับยาที่หมอให้มาจากโรงพยาบาลหมอให้กินวันละสามเมตรกินครั้งละหนึ่งเม็ดกินสามเวลาเราก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆตอนเริ่มต้นกินยาใหม่ๆยายังอาจจะไม่พอกำลังยังไม่พอที่จะไปรัรับความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายได้ เมื่ออาการเจ็บไข้ยังไม่ถูกระงับยังไม่หายเราก็ต้องกินยาตามหมอสั่งไปเรื่อยๆ ย, ยายายาขี้เกียจรับประทานยาต้องกินตามเวลากินตามปริมาณที่หมอสั่งให้กินครั้งละหนึ่งเม็ดก็กินครั้งละหนึ่งเม็ดกินวันละสามเวลาก็กินวันละสามเวลา ก่อนลรือหลังอาหารก็ต้องทำตามคำสั่งของหมอทุกอย่างยาถึงจะเข้าไปในร่างกายเพื่อทำหน้าที่ของอยาคือรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปได้อย่างอย่างลาบคาบต้องทำไปเรื่อยๆต้องกินยาไปเรื่อยๆไม่ใช่พอกินยาเข้าไปเม็ดเดียวแล้ว จะคิดว่ายาเม็ดเดียวจะทำให้โครคภัยไข้เจ็บหายไปได้เลยมันยังต้องกินไปเรื่อยๆปริมาณของยายังไม่พอเพียงฉันใดการกินยาธรรมโอสถคือการปฏิบัติธรรมสามข้อนี้ก็ต้องทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ทำแค่วันครั้งสองครั้งแล้วก็จะคิดว่าเรามียา ทำมาโอสถไว้รักษาโรคใจแล้วถ้าเรายังมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ก็แสดงว่ายาที่เรากินเข้าไปนี้ยังไม่มีกําลังพอเราต้องกินเพิ่มให้มากขึ้นด้วยก็ได้อาจจะต้องกินมากขึ้นกินบ่อยขึ้นการจะกินยาของพระเจ้านี้คือการปฏิบัติปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบถึงเรียกว่ากิน กินตามที่หมอสั่งสุปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มร้อยพระพุทธเจ้าบอกให้ปฏิบัติวันละกี่ชั่วโมงก็ต้องปฏิบัติวันละกี่ชั่วโมงตามที่ทรงสอนไว้ท่านสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรทําบุญอย่างไรรักษาศีลอย่างไรชําระจิตใจอย่างไร เราก็ต้องทําให้ถูกต้องตามคําสั่งคําสอนเรียกว่าเป็นปฏิบัติชอบคือปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติเต็มที่ปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักคําสอนทุกประการสอนให้รักษาศีลก็ต้องรักษาศีลสอนให้ทําบุญทําทานก็ต้องทําบุญทําทาน สอนให้ภาวนาทำรากจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องภาวนาแล้วจะทำมากทำน้อยเท่าไหร่ก็ต้อง <c oughs> ทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเช่นทำบุญทำทานก็ให้ทาให้เต็มาทาให้เต็มที่ก็คือให้สละท ร, รัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเลยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ ส, สละราชสมบัติ นี่เรียกว่าทำบุญทาทานที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในระในดับดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอ บ, บ, บ, บ, ชอบก็ต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปไม่อาศัยเงินทองเป็นเครื่องดับทุกข์เพราะเงินทองไม่ใช่เป็นเครื่องดับทุกข์และนอกจากการไม่ได้เป็นเครื่องดับทุกข์แล้วยังเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจด้วยถ้าเราไปอาศัยเงินทองเป็น เครื่องมือในการมาใช้การดับทุกข์ทางใจมันก็จะต้องคอยหาเงินทองมาคอยดับอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเวลาที่เราไม่สามารถหาเงินทองมาได้เงินทองขาดมือความทุกข์ที่เราเคยใช้เงินทองดับมันก็จะไม่มันก็จะไม่ดับแล้วทีนี้มันกลับจะเกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆยังไม่ควรอาศัยเงินทองในการ มามาดับความทุกข์ทางใจเงินทองไม่ใช่ธรรมโอสถเงินทองเป็นเป็นยารักษาโรคร่างกายได้เงินทองมีไว้สาหรับรักษาดูแลร่างกายได้เช่นร่างกายต้องมีปัจจัยสี่ต้องมีเครื่องนุ่งหง่มมีอาหารมีที่อาศัยมียารักษาโรคอันนี้ใช้เงินทองได้ ตราบใดที่เรายังมีร่างกายอยู่เราก็ต้องมีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูร่างกายเพื่อให้ร่างกายยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการมาปฏิบัติธรรมโอสฐ mm hmm. การใช้เงินใช้ทองต้องรู้จักวิธีใช้ที่ให้ถูกต้อง mm hmm. ให้ใช้ไปกับการเลี้ยงดูร่างกาย ใช้กับการซื้ออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยารักษาโรคแต่ก็ให้ใช้แบบพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้พอดีกับความต้องการของร่างกายไม่จำเป็นจะต้องฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นจะต้องเป็นของหรูหราไม่จำเป็นจะต้องเป็นของที่มีราคาแพงๆตราบใดที่มันเป็นปัจจัยสี ที่สามารถเลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอใช้ได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระกับการหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเพราะเราต้องการเอาเวลาไปให้กับการสร้างธรรมโอสฐ์เข้าไปสู่ใจของเราบางคนก็เลยใช้วิธี ออกบวชถ้าออกบวชได้<ม>ถ้าเป็นพระได้ก็ไม่ต้องกังวลกับการทำมาหากินหาเงินหาทองเพราะว่าสามารถหาปัจจัยสี่แบบไม่ที่ไม่ต้องใช้เงินได้<ม>ถ้าเป็นพระก็บินทบาล ห, <ม>หาอาหารมารับประทานได้ เครื่องนุ่งหม่มจีวรก็สามารถไปใช้ผ้าบางสกุลได้ผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามป่าช้าสมัยก่อนเป็นผ้าหอ่อศพเรียกว่าผ้าบางสุกุลคนตายแล้วเขาก็จะเอาผ้าพันศพไว้แล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าพ อ, อร่างกายมันเน่าเปื่อยผุพังไปหมดผ้าที่หอ่อก็ยังสามารถเอามาทําประโยชน์ได้<ม>ก็จะมีพวกนักบวชเนี่ยพวกที่ไม่มีเงินทอง พะได้สลับทรัพ์สมบัติเงินทองสลับอาชีพการทำมาหากินหาเงินหาทองไปเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมก็จะไปเก็บผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าชา้านี้มาซักมาย้อมมายักมาเป็นจีวรเครื่องนุ่งห่มของพระอันนี้ที่วสัยก็อยู่ตามโคนไม้ อยู่ในป่าที่ร่มลื่นอาจจะทำเพิงเพิงไม้ด้วยกิ่งไม้ใบ ไ, ไม้ไว้กันแดดกันฝนมด่ยอยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้าอยู่ตามเือนล่างที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องใช้เงินทอง อ, อยู่แบบคนไม่มีเงินทองอยู่กั น, น, นยารักษาเราก็ให้ใช้ยา ดองด้วยน้ำปัสะวะน้ำมูดเอาสมอมาแช่ในน้าปัสสวะพอมัน <c oughs> มีปฏิกิริยาทางเคมีน้ำนั้นก็จะกลายเป็นยาขึ้นมาสามารถมาเดิมระงับรังับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้เช่นถ้าปวดศีรษะปวดท้องอะไรตำนองนี้ยาดองน้ำมูดนี้ก็สามารถที่จะรักษา ไดน้นี่คือถ้าอยากจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติทำอย่างเต็มร้อยอยากจะปฏิบัติดีอย่างเต็มที่ปฏิบัติสุปฏิปันโนก็ต้องปฏิบัติแบบนักบวชไม่เอาเวลาไปทำภารกิจท้งอื่นทางโลกไม่เอาเวลาไปทำมาหากิน เพราะถ้ายัางเป็นผู้คองเรือนอยู่ก็ยังต้องทำมาหากินหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองมันก็จะมีเวลาไม่มากพอสำหรับการที่จะปฏิบัติธรรมการที่จะนำเอาธรรมะอสดเข้ามาสู่ใจจะเข้ามาได้น้อยมากวันหนึ่งถ้าไปทำงานทาการก่อจะกลับมาถึงบ้านก็เย็นก็รับประทา น, านอาหารอาบน้าอาบทาก็ง่วงนอนแล้ว ก็ต้องเข้านอนถ้าเป็นค า, า, ารวะทำได้อย่างมากก็คือทำบุญทำทาน<ม>แล้วก็รักษาศีลห้าไป<ม>ละเว้นการเสพอบายามุขไป<ม>ก็จะได้เท่านี้<ม>แต่ถ้าจะให้ไปรักษาศีลแปด<ม>ให้ไปบำเพ็ญจิตตะภาวนา<ม>จเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญานี่<ม>ก็จะเป็นของที่ ทำได้ยากนอกจากมีวันหยุดทำงานเช่นถ้าวันหยุดทางานแล้วไปอยู่วัดได้ก็อาจจะไปปฏิบัติไปอยู่แบบนักบวชชั่วคราวแก็ทำได้แค่วันหยุดวันสองวันเท่านั้นเองพอถึงวันทำงานก็ต้องกลับมาทำงานทำการต่อไป <c oughs> <c oughs> เวลาที่จะเอาธรรมะโอสถเข้าสู่ใจก็มีน้อยมาก ยาที่เข้าไปในใจก็มีน้อยมากไม่มากพอที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรอาจจะช่วยบำรบัดความทุกข์ได้ในบางในงระดับระดับตามกำลังของยาธรรมโอสถที่เรารับประทานเข้าไปด้วยการปฏิบัติเช่นวันหยุดทำงานเราก็ เปลี่ยนจากการเป็นค า, ารวะผู้ของเรือมนมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาก็คือนักบวชชั่วคราวถือศีลแปดแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนให้กับการเจริญจิตตภาวนาคือการเจริญสตินั่งสมาธิการพิจารณาทางปัญญา การอ่านหนังสือธรรมะหรือการฟังเทศฟังธรรมต่างๆเพื่อให้เกิดปัญญาอันนี้ก็จะทำได้เพียงแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันหรือสองวันแต่วันทำงานก็ต้องกลับไปทำงานต่อไปสำหรับคนบางคนที่เห็นคุณค่าของธรรมโอสถว่าเป็นยาวิเศษที่จะช่วยกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวร เราก็รู้ว่าต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือต้องปฏิบัติเต็มร้อยตั้งแต่ตื่นจนหลับ <c oughs> การบําเพ็ญจิตธภาวนา <c oughs> การซักพอกจิตใจชําระเชื้อโรคของใจ <c oughs> คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา <c oughs> ให้หมดไปจากใจนี้จําเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ แล้วก็หลับไม่มากหลับพอเพียงเพื่อพักผ่อนนั่งกายก็พอที่ให้รีบปฏิบัติให้เต็มร้อยเขาเพราะว่าชีวิตเราเป็นของที่ไม่แน่นอนนั่งกายของเรานี้มันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปกาหนดได้มันอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าเราปฏิบัติแบบประมาทไม่รีบร้อนไม่รีบเร่งปฏิบัติแบบสบายสบาย นั่งสมาธิเวละครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเอายารักษาโรคใจเข้าไปสู่ในใจให้ได้เต็มร้อยนี่มันยากมันมีน้อยอมเมื่อยาไม่เข้าไปในใจได้เต็มร้อยอความทุกข์ใจต่างๆก็จะไม่ได้ถูกกำจัดได้อย่างเต็มร้อยอแล้วเวลาเกิดร่างกายมีอุบัติเหตุเป็นอะไรตายขึ้นไป โอกาสที่จะนํำธรรมโอษฐ์เข้าสู่ใจก็ต้องหยุดไว้ก่อนพอไม่มีร่างกายแล้วพอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่สามารถไปศึกษาไปปฏิบัติทําได้อีกต่อไป<ม><ม>ก็อาจจะต้องรอให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพหน้าชาติหน้าแต่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพหน้าชาติหน้าก็อาจจะไม่ได้มาเจอกับพระพุทธเจ้าอีกต่อไปก็ได้ ไม่ได้เจอกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้เจอกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกที่เรามาเกิดในคราวต่อไปก็จะไม่มีใครบอกทางไม่มีใครบอกวิธีนําธรรมะโอสถเข้าสู่ใจการเรียนรู้ของเราในภพนิยชาตินี้ ม, มันก็อาจจะเลือนลางไป เพราะว่ามันยังเป็นความจำอยู่ยังไม่ได้เป็นความจริงมันยังไม่ได้เข้าไปในใจธรรมโอสฐยังไม่ได้เข้าไปในใจการปฏิบัติของเรายังไม่ได้ ป, ปฏิบัติถึงแก่งถึงนิสัยสันดานมันก็จะไม่ฝังอยู่ในใจไม่ติดไปกับในใจพอใบเกิดชาติหน้าก็ไม่รู้ว่าทาบุญไปเพื่ออะไรรักษาศีลไปเพื่ออะไร และอาจจะไม่รู้ว่ามีวิธีบำเพ็ญจิตตะภาวนาชำระจิตใจให้สงบด้วยนี่ทำไมพระเจ้าจึงทรงสอนให้ไม่ให้ประมาทกันให้รีบเร่งทำความเพียรกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าชีวิตของเรานี่มันไม่มีอะไรแน่นอนมันจะตายได้ทุกอายุไขทุกวันทุกเวลา ไม่จําเป็นว่าจะต้องแก่ตายไปเสมอไปไม่จําเป็นว่าจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถึงจะตายไปเพราะการตายมันอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่ได้เกิดจากความแก่ก็ได้ไม่ได้เกิดจากโรคไข้ใกล้เจ็บก็ได้ชจนอาจจะเกิดจากอุบัติอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆตามข่าวข่าวที่เราคงได้ได้ยินกันมาอยู่ดีๆนั่งอยู่ในรถบ้านรถบ้านมันก็ไฟลุกขึ้นมา ประตูก็เปิดออกไม่ได้ก็ <date. S 2> ต้องตายไปไม่มีใครที่อยู่ในรถนั้นคิดว่าวันนั้นจะเป็นวันตายของเขา <bis. S 2> แต่มันก็เกิดขึ้นได้เส ม, มเอพระพุทธเจ้าถึงท่งสอนให้ชาวพุทธเรานีนอย่าประมาทให้เราลึกถึงความตายอยู่เรื่อย เ, อย <accurate. S 2> เพื่อที่มันจะได้กระตุ้นความเพียรของเรา ถ้าเราไม่นึกถึงความตายนี่บางทีเราก็อาจจะนอนใจแล้วคิดโอ๊ยเรายังมีอายุน้อยตอนนี้เรามีอายุไม่เท่าไหร่ยังมีเวลาเยอะแยะที่จะให้กับการปฏิบัติได้ตอนนี้ขอไปทำหาความสุขทางโลกไปก่อนเพราะตอนนี้ใจยังไม่ทุกข์กับอะไรใจยังมีความสุขจากการหาความสุขทางโลกอยู่ยังมีความสุขจากการหาลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดโวดสัพา้าต่างๆอยู่ก็ไม่เห็นมีความจําเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติธรรมเพื่อเอาธรรมโอสถเข้ามาสู่ใจทําไมเพราะตอนนี้มันยังไม่มีความทุกข์ใจ <c oughs> คิดแบบนี้มันก็คิดแบบคนประมาทเพราะว่าความทุกข์ใจนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ <c oughs> เวลาใดก็ได้อย่างที่เราไม่คาดฝันก็ได้ ความสุขที่เราหาในทางโลกนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนลาบยศ ส, สรลเสิญสุขนี่มันก็เป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเจริญก็มีเสื่อมได้มีมาก็มีไปได้ได้มาก็มีวันที่จะหมดไปได้วันดีเกินดีแล้วอาจจะตกงานก็ได้ เราอาจจะไปเจออุบัติเหตุทําให้เราพิกลพิการไม่สามารถที่จะไปทํางานทำมาหากินได้อืพอเราไม่มีรายได้เราก็จะทุกขึ้นมาล้วแล้วถ้าเรายังไม่มีธรรมะอยู่ในใจนี้เราก็จะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจว่าจะดับได้อย่างไร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 เดินเรื่องไปไม่ได้ถ้ายัางนั่งได้ก็นั่งต่อไปอัานที่ต้องขยับก็ก็เชิญขยับไปตอนนี้นั่งสมาธิไปก่อนให้เหตุการณ์สงบก่อนเพราะพูดทําตอนนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะใจยังมัวกังวลอยู่กับเรื่องฝนอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีจะนั่งต่อไปดีหรือจะลุกดีเห็ั้นตอนนี้ ก็ถ้านั่งสมาธิไปได้เรื่อยๆก่อนก็นั่งไปก่อนฝนช่วงนี้มันก็อาจจะตกไม่ใช่เป็นฝนแท้หรอกฝนเทียมฝนเป็นเทวดาประพรมน้ำมนต์ให้กับเราให้ทดสอบจิตใจของเราว่ามีความหนักแน่นมีสมาธิตั้งมั่นนั่งอยู่เฉยๆได้หรือไม่หรือต้องขยับ นี่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกแต่ถ้าตอนนี้ยังตกไม่หนักพอก็ยังพอจะนั่งไปได้อยู่ยังไม่เปียกถ้าหนักมากถ้าเปียกแล้วอาจจะต้องทาอะไร อ, อะไรต่อไปแล้วแต่ความเหมาะสม อันนี้ขอให้นั่งสมาธิไปดูลมไปพุโทโธไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งดูลมที่ปาจมูกได้ก็ดูลมไปดูลมไม่ได้ก็รับใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือจะสวดบทที่พระเจ้าทรงสอนให้สวดก็ได้ว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาช่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ถ้าเรามันพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่ประมาทเราจะไม่ได้เราจะได้ไม่คิดว่าเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไปเรื่อยเพราะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะมามาเร็วมาช้าสําหรับบางคนก็ได้ คนบางคนไม่ทันแก่ก็ตายไปก็มีคนบางคนไม่ทันเจ็บไข้ได้ป่วยตายไปก็มีตายไปตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราจะได้เห็นคุณค่าของเวลาของชีวิตของเราว่าเพียงแต่เรามีชีวิตอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแนละ้วทำไมเราจะต้องไปหาอะไรมากมายกายกองมาให้กับเรา ซึ่งของต่างๆที่มีในโลกนี้เช่นลาบยศสารเสญสุขนี่มันไม่สามารถที่จะมาช่วยดับความทุกข์ทางใจเราได้เลยนอกจากไม่ใช่เป็นตัวดับทุกข์แล้วยังเป็นตัวทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไปอาศัยลาบยศสารเสญสุกเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ใจแล้ว<ม>เวลาที่มันเป็นอะไรไปขึ้นมาเวลาที่มันเสื่อมไป เวลาเสื่อมราบยศสรรเสริญสูขไปนี้มันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันที mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักจะเอาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับใจเราให้มากที่สุด mm hmm. เวลาการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับใจเราได้มากที่สุดก็คือเอามาใช้กับการปฏิบัติธรรมนี่เองใช้กับการรักษาศีลใช้กับการทำบุญทำทานใช้กับการภาวนา mm hmm. อันนี้แหละเป็นวิธี ของการใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่จิตใจเพราะจะช่วยนำเอาธรรมโอสถเข้าไปสู่ในใจเพื่อที่จะได้เอามาใช้บาบัดความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปไม่ช้าก็เร็วทุกคนจะต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายกันแต่ถ้ามีธรรมโอสถอยู่ภายในใจแล้วความทุกข์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในใจร่างกายแก่ก็ปล่อยให้มันแก่ได้ไม่ทุกข์กับมัน ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่ทุกข์กับมันร่างกายจะตายก็ปล่อยให้มันตายได้ไม่ทุกข์กับมันจะต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพัดพากจากคนที่เรารักเราชอบก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดเพราะใจเรามีธรรมโอสถ์คอยรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับการสูญเสียสามารถทําใจให้วางเฉยได้เป็นอุเบกขา ก็เห็นด้วยปัญญาว่าทําอะไรไม่ได้มันเป็นอนัตตาในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมบังคับของเราใครจะเป็นใครจะตายนี่เราก็ห้ามเขาไม่ได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมันจะอยู่หมือมันจะไปเมื่อมันจะมาเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ <c oughs> ถ้ถึงเวลามันจะไปเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์กับการสูญเสีย ในสิ่งต่างๆได้การระลึกถึงธรรมะบทนี้เป็นธรรมะที่สําคัญมากที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามันพิจารณาอยู่เนืองๆคิดอยู่บ่อยๆคิดทุกวันกับพระอานน์นี้ท่านสอนให้พระอา น, นุ์คิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยเช่นหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเธอก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าเธอก็ตาย มันนั้นความเป็นความตายมันอยู่ที่ปลายปลายจมูกเรานี่ อ, อ, ยอยู่ที่อยู่ที่ลมหายใจนี่อ<ม>พอไม่หายใจเมื่อไหร่ความตายก็เกิดขึ้นทันที<ม>เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะปร ะ, ประมาท น, นใจ<ม>รีบเอาเวลาที่เรามีอยู่นี้มาให้กับการปฏิบัติ<ม>เอาธรรมโอสถเข้าสู่ใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะดีกว่าดีกว่าที่จะไปหา ความสุขของโลกกระทำทั้งสี่คือลาภยศรลเสริญสุขที่ไม่ได้เป็นตัวที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริงอาจจะกำจัดได้ชั่วคราวเวลาเราทุกข์ใจเรามีเงินเราก็ไปซื้อของที่เราอยากได้มาเาซื้อมาแล้วความทุกข์ใจก็อาจจะหายไปชั่วคราวเดี๋ยวความทุกข์ใจมันก็กลับมาใหม่ พอความสุขที่ได้จากการซื้อข้าวซื้อของนี้มันผ่านไปหมดไปอยงนั้นก็ไปเที่ยวกันไม่ไปกินไปดื่มกันไปดูไปฟังกันวิธีการเหล่านี้ก็อาจจะช่วยระงับความทุกข์ใจได้ชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่พอความสุขที่ได้จากการเสพ ร, ราบยศสรสนสุขนี้มันจางหายไปความทุกข์เก่าทุกข์กับความแก่มันก็จะกลับมาใหม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย มันก็จะกลับมาใหม่ทุกกับความตายมันก็จะกลับมาใหม่อยู่เรื่อยๆนี้เราอยู่ในโลกที่เป็นอย่างนี้เป็นโลกของอนิจจังไม่เที่ยวมีเกิดมีดับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่มันมาได้เดี๋ยวมันถึงเวลามันจะไปมันก็ไปได้มันเป็นอนัตตามันไม่เป็นของของใครเป็นของธรรมชาติขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆถ้าเหตุปัจจัยจะทาให้มันมามันก็มา ถ้าหปัจจัยจะทำให้มันไปมันก็ไปเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันนั่นมันไม่ได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้อย่างไม่ทุกข์ใจได้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางถ้าเรารู้จักทําใจให้เป็นอุเบกขาทําใจให้วางเฉยให้ได้การที่เราจะทําใจให้เราวางเฉยได้เราก็ต้องมาฝึกใจมาปฏิบัติจิตตภาวนานี่การจิตตภาวนานี้ก็มีเป้าหมายอยู่ที่การ ทำใจให้นิ่งให้เฉยให้ปล่อยวางให้มีกับให้มีความสุขกับการอยู่เฉยเฉยไม่ต้องไปมีอะไรก็มีความสุขได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้ก็ อ, อยู่ที่ความสงบของใจการที่อยู่ที่ความนิ่งเฉยของใจนี้เท่านั้นเองถ้าสามารถทำใจให้นิ่งให้เฉยได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาในใจ เมื่อเรามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งพวงแล้วเราก็จะไม่คิดที่จะไปหาความสุขในรูปแบบอื่นต่อไปเราก็มาอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็มีอาราวก็จะทุ่มเทเวลาทั้งหมดของเรานี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบให้ใจวางเฉยให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาเราก็จะสามารถระ ง, งับดับความทุกข์ทางใจได้ ในขณะที่เราอยู่ในสมาธิเวลาเรามีความทุกข์ทางใจไม่รู้ว่าจะดับมันได้อย่างไรเราก็เข้าไปในสมาธิกันเข้าไปทําใจให้นิ่งๆให้สงบให้ใจมีความสุขกับความสงบแล้วความทุกข์ต่างๆที่อยู่ภายนอกใจก็จะไม่สามารถเข้ามาทําใจให้เราทุกข์ได้เให้เราทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้พอเรา ทำสมาธิหยุดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หยุดคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้ใจเข้าไปอยู่ข้างในอยู่ในความสงบได้เรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ก็จะตามเข้ามาในใจไม่ได้ตามทุกข์ที่เกิดจากคนนั้นคนนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นในใจเพราะใจอยู่ในความสงบอยู่ในความนิ่งอยู่ในความวางเฉยได้ด้วยอํานาจของสติแต่อํานาจของสตินี้เป็นเป็นเพียงแต่ สามารถทำใจให้สงบแบบชั่วคราวได้ท่านั้นเองสงบแบบเป็นพักๆเพราะกำลังสติพอจิตสงบแล้วกำลังสติที่มีที่หนึงใจให้เข้าไปในความสงบมันก็จะค่อยๆ อ, อ, อ่อนลงพอมันหมดกำลังลงใจที่ยังมีกิเลสตัณหาตัวที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่มันก็จะดันใจให้ออกมาออกจากสมาธิมา ให้ออกมาหาคนนั้นคนนี้หาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้ต่อไปให้มาหะให้มาทุก์กับคนนั้นคนนี้ให้มาทุก์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปถ้าอยากจะทำให้ความทุกข์นี้หายไปอย่างถาวรหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็มาหัดใช้ปัญญาใช้ปัญญาสอนใจว่าคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เขาเป็นอนนี้จังเป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับได้เช่นคนคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีหรือร่างกายของเราก็ดีก็เป็นเหมือนกันแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่เทีย่ยงจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เก็บได้เมื่อ น, นั้นไม่ จ, มจำเป็นว่าจะต้องรอให้แก่แล้วถึงจะเจ็บจะตายเมื่อไหร่ก็ตายได้เราต้องมองความไม่เที่ยงของสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ ถ้าเราทุกขกับคนนั้นคนนี้เราก็ลองให้เห็นว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเที่ยงให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดถึงเวลาหนึง่งเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาอยู่มันหมดไปเหตุปัจจัยที่จะทำให้เขาต้องตายมันปรากฏขึ้นมาเขาก็ต้องตายไปจากเราไปเราทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจให้เฉยๆยอมรับความจริงเท่านั้นเอง ถ้าเรายอมรับความจริงได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์ที่ใจเราทุกข์เพราะว่าเรายังไม่ยอมรับความจริงเรายังอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆอเขาก็ไม่อยู่กับเรามันก็เลยทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์ขึ้นอ่ะนี่คือเรื่องของปัญญาต้องสอนใจให้มองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปสัมผัสรับรู้ที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยที่ใจไปครอบครองมาเป็นของของตนว่า เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่มีไม่ใช่เป็นของเราที่เราจะสามารถควบคุมบังคับสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้สั่งให้ไม่แก่สั่งให้ไม่เจ็บสั่งให้ไม่ตายอย่างนี้เราทําไม่ได้นี่คือปัญญาปัญญาคือการเห็นใจรักษณในสภาวะธรรมทั้งปวงทังที่พระเจ้าทรงสอนให้พระสวดกันเยอะเลๆ สัพเบสังขารานิจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัเสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเบธรรมาเป็นอนัตตาทำทั้งปวงไม่มีตัวตนไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครอันนี้ก็ผล น, นี้ก็ไม่เที่ยงเราก็ไปคควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะตกเมื่อไหร่เราก็สั่งมันไม่ได้ มันจะหยุดเมื่อไหร่แเราก็สั่งมันไม่ได้แต่เราอยู่เฉยๆกับมันได้ไม่ไปทุกข์ไม่ไปเดือดร้อนกับมันได้ถ้าเรากลัวเปียกแล้วคิดว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเปียกเดี๋ยวตอนเย็นกลับไปบ้านหนับน้ําก็ต้องเปียกเปียกยิ่งกว่าเปียกฝนเรายังเปียกได้เปียกฝนเราัวเสื้อผ้าเปียกเสื้อผ้าเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปซักมันก็ต้องเปียกอยู่ดีถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วใช้ปัญญามันก็จะสามารถที่จะทําให้ใจเรายอมรับ ความจริงได้อยอมรับว่าเราต้ต้องเปียกอยู่ใต้ฟ้าใต้ฝนถึงเวลามันก็ต้องเปียกบ้างเป็นธรรมดาถ้าเราหลบมันได้หรือไม่ได้ก็ปล่อยมันเปียกไปแต่ใจเราจะไม่ทุกข์ดีไม่ดีอาจจะสุขก็ได้คิดว่าเราไ ด, ได้เล่นน้ําฝนกันนานจะได้นั่งอาบน้ําฝนกันทันทีน้ําฝักบัวของธรรมชาติของแท้ฝักบัวที่เราอาบในบ้านนี่เป็นของขอ ง, ของเทียมของมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมา แต่เวลาฝนตกแล้ ว, ลวอาบน้าฝนนี่มันเป็นเหมือนกับตัก บ, บัวท้องธรรมชาติเป็นของแท้ของจริงสมัยพุทธกาลนี่พระท่านเวลาฝนตกท่านมักจะออกมาอาบน้าฝนกันจึงในช่วงเข้าพรรษาจึงมีการถวายผ้าอาบน้าฝนเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งฝนตกแล้วพระท่านออกมาอาบน้าฝนกลางลานว่าท่านไม่มีผ้าท่านก็เลยท่านเลยเปลือยกายอาบน้าฝน พอมีพอดีมีญาติยมเข้าไปในว่าเห็นข้าก็ตกใจคิดว่าพระเป็นชีปเปลืยก็เลยไม่กล้าเข้าไปก็เลยไปกราบทูลพระเจา้จาพระเจ้าบอกไม่มีผ้าไม่มีผ้าอาบน้ําฝนญาติโยมเลยขอขอถวายผ้าอาบน้ําฝนให้กับพระเวลาฝนตกเวลาอาบน้ําฝนจะได้มีผ้าเปลี่ยนเพราะถ้าผ้าที่ผม ใส่อาบน้ำฝนก็ไดอาบน้ําเสร็จแล้วผ้ามีเปลี่ยนจะไม่มีผ้าเปลี่ยนเพราะสมัยก่อนผ้ามีผ้าน้อยมีแค่หนึ่งสำรับมีแค่สามผืนนั้นเองอะไรจะเป็นจะต้องมีผ้าพิเศษคือผ้าอาบน้ําฝนให้พิจารณาด้วยปัญญาแล้วเราจะไม่กลัวกับเหตุการณ์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันจะร้ายแรงขนาดไหนเราก็จะมองเห็นว่ามันเป็นธรรมดา ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ทําให้เราหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทําให้เราเป็นมากไปกว่า น, นี้ไม่มีอะไรที่จะทําให้เรามากกว่าความแก่ความเจ็บความตายแล้วความแก่ความเจ็บความตายพระเจ้าก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนตกแดดออกเหมือนพายุเหมือนเหมือนดินถล่มดินทลายเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาของโลก เรามาอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราจะสามารถอยู่กับมันได้อย่างสบายใจโดยไม่ทุกข์ใจถ้าเราสามารถทำใจให้นิ่งเฉยได้ทำใจให้เป็นอุเบกขาถ้าใจเรานิ่งเฉยได้เราใจเราก็จะมีความสุขจากความนิ่งเฉยแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับภาวะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางร่างกายพราะนี่คือเรื่องของธรรมชาติของ ของโลกนี้ของร่างกายของโลกที่ร่างกายนี้อยู่เป็นของไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมมีมีภัยมีมีภัยและมีความปลอดภัยสลับกันไปบางเวลาก็ปลอดภัยบางเวลาก็มีแต่ภัยที่บัตรต่างๆปรากฏขึ้นมาเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่มีใครที่จะไปสั่งได้ว่าไม่ให้เกิดภัยที่บัตรต่างๆแต่เราสามารถสอนใจให้อยู่กับมันได้ ถ้าเราฝึกใจไปเรื่อยๆต่อไปใจเราจะมีปัญญาจะใจเราจะไม่เราจะไม่ดิ่นลนจะไม่ต่อสู้กับความจิตความจริงปล่อยให้ความจริงตาเกิดขึ้นมาอยู่กับไม่อยู่กับเงิน ไ, ไปตามตามความเป็นจริงใจเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือประโยชน์ของปัญญาเนีย่ยองค์องค์ ยาประกอบส่วนสําคัญที่สุดของของธรรมโอษฐ์ก็มีอยู่สองส่วนเนี่ยตัวหนึ่งก็คือสติสองก็คือปัญญาส่วนทานขั้นศีลนี่มันก็ช่วยระรับดับความทุกข์ได้ในระดับต่างระดับที่ไม่เข้มข้นไม่รุนแรงแต่ระดับปัญญานี่มันจะสามารถที่จะระดับความทุกข์ได้ทุกระดับนั้นระระดับความทุกข์ได้อย่างราบคาบแต่ก่อนที่เราจะ เข้าไปถึงขั้นปัญญาได้เราก็ต้องผ่านขั้นขั้นการทำบุญทำทานขั้นการรักษาศีลก่อนเมื่อเราทำทานได้รักษาศีลได้เราก็จะมีกำลังที่จะไปสู่ขั้นภาวนาได้บําเพ็ญจิตตภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบเข้าสู่ขั้นสติก่อนขั้นสติขั้นสมาธิแล้วพอเราได้ขั้นสติได้ขั้นสมาธิแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะขึ้นไปสู่ขั้นปัญญาต่อไปได้ เพราะถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิถึงแม้จะมีปัญญารู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมบังคับได้แต่เราก็จะอดที่จะอยากจะไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เพราะมันเป็นกำลังของกิเลสกิเลสมันยังมีกำลังมากกว่ากำลังของสตินั น, นถึงแม้จะมีปัญญาแต่ถ้าสติไม่มีกำลังพอที่จะหยุดกิเลสได้หยุดความอยากที่จะให้ไป จะอยากจะไปควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้มันก็ยาหยุดมันไม่ได้พอหยุดมันไม่ได้มันก็จะทําให้เราทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเช่นอยากให้ฝนหยุดอยากให้อยากไม่ให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาอยากไม่ให้ฝนตกอยากให้ฝนหยุดเนมันก็จะทําให้ใจเรากรังวนกวายกังสารกังสาแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วมีมีสติ สามารถทําตามที่บัญญาสั่งได้ว่าเราไปห้ามฝนไม่ได้เราไปสั่งฝนไม่ได้มันจะตกก็ปล่อยมันตกไปถ้าเรามีสติเราก็จะวางเฉยได้เราก็นั่งเฉยของเราไปเรื่อยๆอการแสดงธรรมสาหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยถาวะเววาหันตุราภิรุลเณติสากหลังเอวเมวาวิโตทินางเตตานางอุปการปติอิช uh ิต่างปฏิทังต e ุมหังทิพเมวาสนิจตุสัพเพปุริตุสังกปะจันโทปนาละสุยะถาณิโชติ ภระาสยธาสัพพิติยวิวัชฉันตุสัพพโรโุวินัสตุมาเตภวตวันตาวายสุขิติขายุโกภวะอภิวาธนาสีดิกสะนิจังุทธะปจายินจตารุตมาวัทันติอายุวันุสุขัง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 วันนี้มีผู้รับฟังทาง facebook า6 8ท่าน y o youtube พระอาจารย์สุชาติสามร้อยสิบห้าท่านยูทูบด็อกเตอร์วีห้าสิบสองท่านมิเตอร์ยูออนไลน์เก้าท่านคลับเฮาส์ c o ท่าน a า k ุติร้อ like to ask ท่านรวมทั้งหมดเก้าร้อยสิ o แปดท่านครับอาจารย์ Raise your hand. Nobody. Can you speak closer to the microphone? Hello. Closer. Yes. Is that right? Yes. Ajahn uh, s u j a t we are just here to p y e s speak are, louder. I cannot hear you. Ajahn s u j a t we are here to pay our respects to you from Dubai. So, few of our students. So, uh, yeah, it is. Uh, very beautiful to actually see you in person. So that is really blessed. And uh, yeah. So. It's not the same live meeting in the Zoom. Uh -huh. <laughs> <laughs> you can see your flesh and blood, huh? I know, but yes, that's yeah. amazing. And yes. Yeah. So uh, yeah, I would ask anybody if you have any questions in terms of. You know, quieting e n your mind or anything you can ask. This is your opportunity. So, don't let it pass. <laughs> It's special. Yes, my friend Mona. Yes. Thank you. How do you? Yes. So, how do you quiet your mind when there is trauma around? I cannot hear you. Can you speak very close to the microphone? When there is war around you, yes. how how do you quiet the minds when so, war surrounds you? You have to meditate before you run into this dream. You have to train your mind first to be calm and still. So whenever you run into anything, you can control your mind, keep your mind still. But if you haven't practiced before. You will naturally react to things when you come across. So, in in Buddhism, we have to train a lot on mindfulness before we can meditate. Mindfulness means to focus your mind on one thing at a time. Don't let your mind go running, thinking about this and that all the time. You can use the mantra as a as an object of focus. By reciting bhuto bhuto mentally, or you can watch your body movement. Stay with your body, whatever your body is doing. Just keep watching your body activity. Don't let your mind go think about other thing at the same time. Then you will be able to to control your mind, to to be still. Then you can sit and meditate. When you meditate, you can focus your attention on your breath. Just watching your breath coming in and out at the tip of the nose. Don't do anything. Don't think about anything. Just watch. Just know the breath coming in, coming out. If you can focus, and this can be continuous, your mind can become still eventually. When the mind becomes still, then it doesn't react to anything. It doesn't react to the body's feeling, reacting to sound or noises that might still be around you. You, your mind will be calm and and equanimous. h call i having equanimity. So this is w h r e we want to to train the mind to to become, to be able to remain still. And whenever we come across anything, we can just use the mantra to make the mind still. If the mind wants to react to something, we can use the mindfulness of the mantra to bring it to become still. But if you have, if you haven't trained yourself like this, you will automatically react to things the way you used to react. If you run into good things, you react with happiness, good feelings. When you run into bad things, you react with bad feelings. It's your own reaction to things. Things they are always like this before you come, whether you are here or not. There were wars before, and there will still be war after we are gone. Yeah. But just how we react to things that we have to to change. We should not react at all to anything. t h a t be merely observing or knowing what's going on. If you if you can do this, then there will be no stress, no no bad feelings, no sadness, nothing. You just remain as if nothing has happened. Okay. Anybody else? Okay, looks like nobody else. Samo, เดี๋ยวก่อนเขาจะพูดอีกเขาจะพูดอีกเดี๋ย a ก a อ a เดี๋ยวก่อนให้อั So Ajahn um, for people who haven't practiced. So Ajahn for people who haven't practiced. And our region is going through a bit of difficulty. How would you um, support them? I cannot quite hear you. Sorry, you have speak I will speak clearer. Put the microphone. Yes. There. So, um, for people who have not practiced, but yet there is a lot of difficulty around the region, especially where we are right now. So, how do you support them, or is it really? Um, Being in a stressful place, how does one support another being? Is that possible? Well, if you have to deal with people, the Buddha said you should use loving kindness toward people and animals. Treat them nice, be nice, be nice, be kind to them. Help them if you can. But if it's beyond your ability, then you just have to, you have to stop you know, and not. d o t feel sad about it because it's beyond your control. But anything that you can do, do it. If you cannot do it, then you just have to accept it. That this is the limit of your your ability to be able to help people or things. If not, you you can become sad or stressful in your, in yourself, which you don't want it to happen. You want to remain calm at all, as always, regardless of what you can do or not, whether you do or not what you do. You should be able to remain calm and peaceful and happy. If you use loving kindness toward people, being nice, being kind, you can feel happy that way. But if it's beyond your ability to help them, then you have to use equanimity to prevent your mind from becoming sad or stressful. Okay. Okay. But this is something you have to practice. Like yoga, you have to practice. Yes. You just can't start and do it right away. Yes. Mm -hmm. Takes time to learn. Takes time to get into the habit. It's really a matter of changing the habit. Mm -hmm. Our mind used to react to things. Now we have to train it to react properly. React with loving kindness, not react with anger, for instance. Yeah. Mm -hmm. Not react with a hatred, yeah. because this thing will create more stress mm -hmm. and. And suffering, rather than uh, reduce stress or suffering, react with loving kindness and react with equanimity. If it's beyond your ability to do something about it, okay. But you have to learn, You have to train yourself by meditating, because when you meditate, if you're successful, you get to equanimity. Once you have equanimity, you can practice loving kindness. Because with equanimity you have happiness inside yourself. Mm -hmm. So when you're happy you can give, you can help people. If you're not happy you you're not able to help because you might be angry or you might be sad. Yeah. But if you're happy you can help people. Look at the time of Christmas, people are happy, people are happy to give, yeah. to help each other. But at other times they're not happy. <laughs> So they have to practice meditation every day, l k y yoga. Then you will have, you will establish some equanimity in your mind. That will enable you to be calm and peaceful. If you cannot do anything about something, or if you can do something, you do with loving kindness. Okay. Thank you. Thank you, John. Now t i e มีคําถามจากทางหน้ากุฏินะคะถามว่าทําไมเวลานั่งสมาธิอาการปวดหลังขาชาต้องเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลาหรือง่วงนอนทําให้จิตใจไม่สงบแล้วเข้าสมาธิไม่ได้สักทีคะแต่เวลาฟังธรรมะวงเล็บภาษาไทยนะคะจะเข้าใจแล้วก็ไม่เกิดอาการง่วงนอนคะ่ะเพรตอนฟังธรร ม, มะมันมีอะไรให้ทหําไงจิตมีเรื่องให้ฟังมันก็เลยเคลิ้กับการฟัง แต่พอเวลานั่งสมาธิมันไม่มีอะไรให้ฟังให้ดูมันก็นั่งแล้วมันก็อึอดอัดขึ้นมาเพราะใจมันหิวหิวกับรูปเสียงกิ่นรสต่างๆวิธีที่จะทาให้ใจนั่งสมาธิได้ต้องขยันพุโทโธพุโทโธให้ให้มีมีงานทาถ้าเราสามารถท่องพุโทโธพุโทโธไปใจเราก็จะเพลินกับการท่องพุโทโธแล้วอาการเจ็บอาการปวดต่างร่างกายทางใจก็จะไม่ได้รับดู ก็จะสามารถนั่งต่อไปได้อย่างสบายแต่เบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีกําลังที่จะพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกได้เราก็อาศัยการฟังธรรมไปก่อนเปิดเสียงธรรมไปเดี๋ยวนี้เรามีธรรมะที่ดูย้อนหลังได้ฟังย้อนหลังได้เราเวลาจะนั่งสมาธิเราก็เปิดฟังไปใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนที่เราจะใช้พุทโธหรือแทนที่เราจะใช้การดูลมหายใจเข้าออก แต่เป้าหมายหลักก็คือต่อไปเราต้องสามารถมีสติให้พอที่เราจะนั่งนั่งพุทโธได้หรือนั่งดูลมหายใจได้เราก็ต้องขยันเจริญสติบ่อยๆให้มากๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราฝึกสติได้เลยพอลืมตาขึ้นมาเราก็เริ่มท่องพุทโธพุทโธ ร, ระหว่างที่เราไปทาภารกิจส่วนตัวเช่นไปอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเนี่ย ช่วงเวลานี้เราสามารถจเจริญสติได้ท่องพุทโธพุทโธไปถ้าเราไม่อยากจะท่องพุทโธเราใช้การดูร่างกายก็ได้ดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทำอะไรกําลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันเข้าดูกับการแปลงฟันอย่างเดียวอย่าให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้ในขณะที่เราแปลงฟันอยู่ถ้าเราทํานี้ได้เราก็จะมีสติมากขึ้นกําลังมากขึ้นพอเวลาเรามานั่งเราก็สั่งให้มันดูลมได้หรือยิวกับพุทโธได้ พอเราดูลมได้เราก็จะเพลินเพลินกับการดูลมมันก็จะไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จากคุณชนิตาค่ะการรักษาสินแปดที่บ้านหากคนอื่นที่อยู่ในบ้านด้วยกันเขาเปิดเพลงหูเราก็ได้ยินแบบนี้สิมจะขาดไหมคะสิไม่ขาดเราถ้าเราไม่ไปร้องร้องตอบถ้าฟังนี้ยังไม่ไม่ถือว่าผิดแต่ถ้าแต่ถ้ามีการกระทามีการน้องนาทาเพลง นี้ถึงจะถือว่าผิดศีลแต่ถ้าฟังนี่ธรรมดาพาดเดินบินธบาติบางทีก็ชาวบ้านับเปิดเพลงก็มีวันสงการนี่เขาก็เปิดเพลงร้องนําทําเพลงกันแต่ถ้าพาไม่ได้ไปร้องนําทําเพลงกับเขาก็ไม่ผิดศีลนแต่ถ้าเดินบินธบาตไปสํารวมไปทําใจให้นิ่งให้สงบไปก็ยังถือว่ายังมีศีลอยูไ่ไม่ได้ทําผิดศีลแต่อย่างใดจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะ ข้อแรกนะคะถามว่าสติที่มีกำลังขึ้นแล้วเห็นนามขันเกิดดับเองรุนแรงเหมือนสายฟ้าแลบให้ทำอย่างไรต่อไปคะค่อยให้ดูดูดููดรประขันก่อนดีกว่าดูร่างกายก่อนดูร่างกายเกิดแล้วต้องตายดูบ่อยๆสอนใจให้ยอมรับความตายให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปดูนามขันต่อเพราะนามขันมันเป็นของที่ละเอียดกว่าและของที่ต้องผ่านร่างกายไปให้ได้ก่อน ต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนถึงจะปล่อยวางนามขันได้เนั้นปล่อยวางดูร่างกายเกิดดับก่อนดูว่าร่างกายเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายยอมรับความตายของร่างกายได้หรือเปล่าไม่ทุกข์กับความตายได้หรือเปล่าถ้าไม่ทุกข์แล้วถึงให้ไปดูเรื่องการเกิดดับของนามขันต่อไป ข้อสองค่ะพระอริยาาสัจสี่จะต้องพิจารณาเมื่อได้อุเบกขาจิตแล้วจึงจะหลุดพ้นได้ส่วนพระอนิจจังทุกขังอนัตตาว่างเปล่าในขันก็ต้องพิจารณาตอนที่ได้อุเบกขาจิตแล้วเท่านั้นเช่นกันใช่หรือไม่คะไม่ใช่หรออริยาาสัจต้องพิจารณาตอนที่เกิดทุกข์เช่นเราไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมะเร็งเงี้ยเกิดทุกข์ขึ้นมาในใจเราก็ต้องหาส า, าเหตุว่าทุกทุกใจเราเกิดจากอะไร เกิดจากความไม่อยากเจ็บใช่ไหมไม่อยากจะเป็นโรคใช่ไหมเราห้ามมันได้หรือเปล่าสั่งมันได้หรือเปล่าว่าร่างกายไม่ให้มันเป็นโรคได้หรือเปล่าสั่งไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันต้องเจ็บมันต yeah. yeah. ้องเป็นโรคมันต้องตายถ้าเรายอมรับความจริงได้ทุกก็ดับไปอันนี้อริยสัจสี่ต้องต้องพิจารณาตอนที่เกิดทุกข์ปัญญาจะเกิดได้ต้องมีทุกข์ก่อนมีคําที่เขาพูดว่าทุกข์บอมีปัญญาบอกเกิด มันต้องมีความทุกข์ก่อนเหมือนกับเวลาที่คนเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะไปหายามากินถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่รู้จะเอาไปเอายามากินทําไมแต่พอเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาต้องไปหายามาทันทีฉันใดพอเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราต้องการดับความทุกข์ใจเราก็ต้องไปหาปัญญามาทันทีปัญญาก็จะสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงถ้าเราไปอยากให้มันเที่ยงมันจะทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราไม่อยากให้มันทุกข์เราก็ต้องยอมรับความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างจากทาง u t u b e ค่ะกล่าบนาัส ก, การพระอาจารย์ครับอยากสอบถามว่าจิตคืออะไรครับใช้ความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ไหมครับแล้วเราสามารถฝึกจิตอย่างไรได้บ้างครับจิตเป็นท่านรู้ที่มีความสามารถที่จะรับรู้ที่จะสามารถมีความรู้สึกนึกคิดมีความจาได้หมายรู้ มีความสามารถที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายมาสู่จิตได้นี่คือจิตจิตไม่ใช่ร่างกายจิตเพียงแต่มาเกาะร่างกายเพื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกของกายเข้ามาสู่จิตฉะนั้นแล้วจิตก็เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสไปแล้วจิตก็ติดรูปเสียงกลิ่นรสก็เลยต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยๆ พอร่างกายนี้ตายไปจิตก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาเสพมันเป็นเครื่องมือเพื่อการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปแต่การเสพนี้มันก็ทําให้เกิดทุกข์เพราะมันเป็นเหน่วยยาเสพติดเวลาอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพมันก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็เลิกเสพเสียเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปดูหนังฟังเพลงอย่าไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรถ้าเราหยุดความอยากต่างๆได้ ถ้าอยู่ความยากต่างๆได้ใจก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายจากคุณกนกวันค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์เวลานั่งนั่งทำสมาธิแล้วจิตชอบเจริญวิปัสสนาเราต้องบังคับให้พุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจแทนใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องตอนนั่งสมาธิไม่ให้คิด ถ้าคิดมันก็ไม่ใช่เป็นสมาธิมันจะสงบไม่ได้จะนิ่งไม่ได้จากคุณทีคัฒนาค่ะผู้ที่จะบรรลุพระโสดาบานันยังไงก็ต้องผ่านความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นแบบทดสอบเหมือนกันทุกคนไหมเจ้าคะใช่ต้องเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องเจอความตายด้วยต้องไปเจอเหตุการณ์ที่อาจจะคิดว่าทําให้เราตายเช่นไปนเจอเสือเจออะไรขึ้นมาหรือเจอโจรผู้ร้ายเข้อปืนมาจี้เราอย่างนี้ แล้วเราก็จะเกิดความกลัวตายขึ้นมาอันนั้นคือความทุกข์แล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายเราห้ามมันตายได้หรือเปล่า <S <S เราก็ห้ามมันไม่ได้ร่างกายของคนทุกคนเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตาย <S <S ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วยอมรับความจริงได้เราก็าตายก็ตายยอมตาย <S <S 1> <S 1> พอยอมตายมันก็จะไม่ทุกข์กับความตายต่อไป จะคุณปามมี่ค่ะบางทีเกิดอาการท้อที่จะนั่งสมาธิเพราะคิดว่าตัวเองไม่ดีพอในชีวิตทางโลกโดยเฉพาะเวลาทะเลาะกับบิดาทางวาจาเราจะรู้สึกแย่กับตัวเองคิดว่าเราเป็นคนคนดีกับพ่อยังไม่ได้เลยจะมาปฏิบัติธรรมได้อย่างไรขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำว่าลูกควรจะวางใจอย่างไรค่ะก็ต้องทาตัวให้ดีก่อนถ้าต้องมีศีลก่อน การกระทำความดีก็คือ ก, การมีศีลไม่ไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนอย่าไปทําให้พ่อเขาเสียหายเดือดร้อนต้องเคารพพ่อแม่ mm. อย่าไปพูดไปทําอะไรให้พ่อแม่เขาเสียใจ mm. เป็นทําตัวให้เป็นคนดีก่อนถึงจะมาฝึกสมาธิได้ต้องมีศีลเป็นฐานที่จะมาสนับสนุนการฝึกสมาธิถ้าเราทําความไม่ดีความไม่ดีต่างๆมันจะมาคอยขัดเราขวางเราเวลาที่เรานั่งสมาธิ มันจะคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีต่างๆที่เราทำมาแล้วมันจะทำให้เราไม่สามารถทำใจให้สงบได้อย่างเรา้อฝึกตัวเราให้เป็นคนดีก่อนนักษาศีลอย่าพูดอย่าทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อน จากทางช่องดรวีนะคะทำงานก่อสร้างมา20ปีเก็บเงินสะสมไว้ 400,000 บาทตอนนี้อายุ54อยากบวชแต่ไม่กล้าทิ้งเงินที่เก็บไว้ขออุบายในการทิ้งด้วยครับขอบพระคุณครับเออความจริงสมัยนี้เขาก็ไม่บังคับให้ทิ้งเหนคนที่เพรามมีคนมาบวชชั่วคราวเยอะออคนที่เขามาบวชชั่วคราวหนึ่งพรรษาเขามีเงินเท่าไหร่เขาก็เก็บไว้เนงะินของเขาไป งั้นถ้าเราก็เราก็คิดว่าเรามาบวชชั่วคราวก่อนก็แล้วกันเพราะเราไม่รู้จะเสด็หรือเปล่าเงินที่เรามีอยู่ก็เก็บไว้ในธนาคารก่อนก็ได้แต่พอเรามั่นใจว่าเราจะไม่ไม่เสด็แล้วนะเราก็บริจาคให้วัดไปก็ได้ทําบุญต่อไปก็ได้ตอนนี้ยังไม่มีค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมเชิญถามได้นั่นในช่วงนี้เพราะว่าถ้าเลือกเลอกแล้วจะไม่สะดวกที่จะมาถามคําถาม